ตัดสปาปิยสิกากรรมที่ชอบทำห้าอย่างภิกษุทั้งหลายการลงตัดสปาปิยสิกากรรมชอบทํา5อย่างนี้คือ 1. ภิกษุเป็นผู้ไม่สะอาด 2. เป็นอรัชชี 3. เป็นผู้ถูกโจษสี่ 4. สงลงตัดสปาปิยสิกากรรมแก่พิกษุนั้น หาสงพร้อมเพรียงกันลงโดยธรรมภิกษุทั้งหลายการลงตัดสปาปิยสิกากรรมชอบธรรมห้าอย่างนี้แหละ